ซีดีธรรมบรรยายชุดทำโลกถึงธรรมพุทธศกราช 2,548 โดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศ ก, กวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องศูนย์พุทธโลกที่เชื่อมสามคัคคีและมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัวตอนที่หนึ่งบรรยายเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดกลับเปลี่ยนถามท่านนะเจ้าค่ะว่า <c oughs> ที่ เ, เขาจะให้ทำอันนี้เจ้าค <c oughs> ่ะแล้วเสร็จแล้วในกลุ่มย่อยที่ <c oughs> พวกเราไปทํากันเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยการที่จะใช้เครื่องมือทันสมัยให้เร็วที่สุดกว้างที่สุดมากที่สุดแต่เสร็จแล้วเขาไม่ได้เห็นมีพูดถึงว่าในการที่จะอบรมครูพระหรือว่าใครที่จะไปทําหน้าที่เผยแผ่เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ตามที่มีในจดหมายประชุมเนี่ย เรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาจริงแต่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับว่าให้พุทธมนตรเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกอันนี้ก็มันก็ไม่ชัดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเผยแผ่ยังไง แ, แต่รู้สึกประเด็นนี้เจ้าค่ะจะเป็นประเด็นใหญ่ที่เขาต้องการที่จะผลักดันให้ออกสแสดงถึงการที่พุทธพุทธมนตเนป็นศูนย์กลางหรือ ย, อ ย, งยังไงเจ้าค่ะแลจะไปทาอะไรก็ยังไม่ชัด ตอนวิสาขะเขาก็พยายามทำทีหนึ่งแล้วใช่ไ้ยเจ้าค ะ, ะก็อันนี้ตมาก็ไม่ยังไม่รู้ได้ยินข่าวแต่มีโยมมาเล่าซึ่งว่าให้พุทธมนตนเป็นศูงกลางวุทธศาสนาแห่งโลกแล้วการที่จะทำอย่างนั้น่ะทำอย่างไรทำในแง่ตัวเครื่องอุปกรณ์วัตถุรูปธรรมหรือในแง่ของตัวหลักเนื้อหาสาร เขาก็มีเจ้าค่ะว่าเขาจะให้มีอะไรที่จะเป็นพุทมนธมณฑลเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกแล้วเท่าที่ทราบก็มีการร่วมมือกับมหาญาณ <c oughs> ใช่าหมเจ้าค่ะที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาผนะมน่าตำราไม่ทราบเรื่องมากแต่ว่ารู้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าปีที่แล้วก็าทางมหาญาณโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็มาเป็นเหมือนเจ้าภาพ หรือเป็นเจ้าของทุนในการจัดการประชุมที่พุทธมนตนเขาเรียกการประชุมพุทธศาสนาก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสากลอะไรทานองเนี้ยแล้วปีนี้ก็ได้ข่าวอีกเมาช้าก็จะจัดโดยเจ้ามือคือญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าระหว่างชาวพุทธระหว่างประเทศในโลกทีนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นนี่ก็มีบทบาทมาก เข้ามามืองไทยมากจะจะยิย่ยนเป็นระยะระยะเช่นโยเรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีแม้ไปถึงภาคใต้นิจิเรนอาจจะมีโซกะงักไก่โซกังกไก่นี่กําลังขึ้นมากเราตั้งพักการเมืองชื่อพรกโกเมโตเป็นพักใหญ่ที่สามของญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นกว่านั้นและอยังไม่ทราบนะดั้นก็หลายปีแล้วเป็นพักใหญ่ที่สามของญี่ปุ่นเลยพรกโกเมโตแล้วก็ นิโซกังะไกนี่เป็นสายหนึ่งของนิจิเรนจะไม่ใช่นิจิเรนเดิมคือญี่ปุ่นนี่เขาจะมีการแยกนิกายเรื่อยโซกังะไกนี่เป็นนิจิเรนฝ่ายคารืหัตที่เขาตั้งตัวขึ้นมาเป็นพวกองค์กรของชาวบ้านแล้วเขาก็ขยายตัวรวดเร็วอย่างที่ว่าตอนนี้เขาก็คุยว่าเขามีศาสนาอยหกล้านคนเขาก็จะเผยแผร่ไปทั่วโลก แต่ตอนนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็โซการ์นไกมีกําลังมากนะอันนี้ก็ทว่าไปกว้างกว่าไปก็จีนไต้หวันก็ไม่เบาเหมือนกันออกทางอเมริกาไต้หวันตอนนี้ก็ไปสร้างหมาหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทางแคลิฟอร์เนียใช่ไหมล่ะแล้วก็สร้างวัดใหญ่ใช้ทุนเรื่องมหาศาลแล้วก็มีเสียงเข้ามามีเสียงในทางลบก็มีคือว่าอันนี้เราก็ฟังฟังไว้คือบางก็บอกว่าเอ๊ะ พุทธศาสนาพวกนี้จะเอาธุรกิจหรือจะเอาเนื้อธรรมะกันแน่เพราะว่ามันมีอะไรเรื่องทางธุรกิจเข้าไปแล้วก็โยงไปถึงการเมืองคงได้ยินข่าวเมื่อตอนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยตอนที่อันกอสมัครช่วงนั้นน่ามีเรื่องเกิดขึ้นกรณีรับเงินของวัดจีนใช่ไหมเคยได้ยินไหมหรือ mm hmm. อ่านั่นแหละที่อเมริกา กรารก็ต้องแก้ขอกล่าหากันนั่นแหละคือวัดจีนนี่มีบทบาทอิทธิพลมากกำลังทรัพย์มหาศาลอะนนั้นเราต้องรู้เข้าใจทำไมญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาจัดโอ้เนี่ยเรื่องนี้จะไปโยงกับที่คุณหมออยากจะถามคือในเมืองไทยเรานี่มักจะทำอะไรแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้หรือรู้ไม่ชัด ไม่หรืรู้เรื่องเราเป็นมาอย่างไงแหละเมื่ออุกอากก็มีความเห็นเห็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจบ้างเห็นไปตามความรู้สึกเท่าที่เป็นกระแสบ้างอะไรบ้างการที่จะมองอะไรให้ชัดมันก็ต้องรู้ชัดใช่ไหมเลยว่อนี้ญี่ปุ่นนี่เขาก็มีปัญหาของเขาเยอะญี่ปุ่นเมื่อปีเทตมาไปสองพั้าร้อยสิบครั้งแรกนะก็สาสบแปปีแล้ว แล้วก็ไปเยี่ยมหมายละพุทธศาสนาต่างๆทางงเห็นจะถึง10แห่งก็มีเอกาสการต่างๆมาก็เอกสารกระทรวงสถิติก็ตอนนั้นก็มีนิกายพุทธศาสนาในญี่ปุ่นทั้งหมดเขาบอกไว้าตามสถิติกระทรวงสถิติการ2 3งรนิกายเป็นนิกายใหญ่13และใน13ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกคัดไปแล้วเรือ6และบางทีก็เรียกกันว่า5้้านิกาย แล้วนิกายเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลงกันแล้วเกิดนิกายย่อยใหม่ๆเรื่อยแต่บางนิกายเขาก็ต้องการที่จะเชิดชูตัวเขาขึ้นมาแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าญี่ปุ่นนี่เาเป็นแดนของธุรกิจและการเงินที่รวยใช่ไถ้าเทียบกับเราเป็นประเทศที่มีการเงินดีอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วง่ายๆเช่นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยในเวลาที่เขามาพักผ่อนเช่นว่าอาทิตย์หนึ่ง เขานั่งเครื่องบินมาไปกลับมาเที่ยวเมืองไทยถูกกที่เขาจะเที่ยวในญี่ปุ่นถูกงไงแต่มาเคยเจอตอนนั่งเครื่องบินกลับมาพวกนั้นเขาบอกญี่ปุ่นเท่านั้นเลยพอลงโตเกียวขึ้นมาญี่ปุ่นขึ้นกันเยอะหปรากฏว่ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ามาเมืองไทยนี่เสียค่าเครื่องบินไปกลับแล้วถูกกเที่ยวในญี่ปุ่นอะไรๆก็ถูกหมดลองไปกินข้าแกงกินเสร็จแล้วถามเท่าไหร่ มองราคามาไม่มีความหมายให้เงินมันไม่ต้องถอนเนี่ยทีนี้ญี่ปุ่นเขาอยู่ในนั้นเขาก็ต่างคนต่างใหญ่บางทีเขาก็มุ่งหาความยิ่งใหญ่ของตัวเชิดชูตัวขึ้นในการออกมาข้างนอกอันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งนะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมองแง่มนี้หมดแง่ดีก็มีแต่ว่าเราจะต้องรู้ทันนะรู้ทันว่าเขาคือใครเขาเป็นยังไงเข้ามาอย่างไงอ้าวอันนี้ตมาก็เลยพูดไปซะ เ<น> <im itation> จ้าค่ะถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราร่วมกับเขาแบบนี้นะเจ้าค่ะหนึ่งเราเป็นเทราวาท <im itation> แล้วก็จุดยืนของเราเนี่ยเจ้าค่ะในการที่สำหรับประเทศไทย <im itation> เราเราเราจะเป็น พุทธศาสนาแบบไหนกันเจ้าคะก็เราก็เป็นเทรวานยุ่ก็ใช่เจ้าค่ะแต่ว่า <ừ. S 1> ทุกวันนี้ท่านก็เห็นเท่าที่นโยบายมันออกมาหลายๆอย่างมัน <ừ. S 1> มันมันก็พิกลพิกลอยู่เนี่ยเจ้าคะแล้วถ้าเผื่อเรารับเข้ามาอย่างนี้ <ừ. S 1> <ừ. S 1> โดยที่เราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีแน่นอนว่า <ừ. S 1> พระของเราเออเมืองไทยเนี่ยเจ้าคะ <ừ. S 1> จะเอายังไงกันแน่ แล้วพุทธศาสนาก็อีกหน่อยก็จะเป็นอย่างพระจีนพระญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้งั้นเหรอเจ้าพระคืออันนี้ก็จะย้าเรื่องที่ว่าเรื่องความรู้เนะี่ยอันนี้ตอนเนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในพุทธศาสนาทั่วโลกซึ่งอันนี้มันก็เป็นความริเริ่มมานานแล้วซึ่งเรามีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพอสลอก็มีขึ้นเพื่อ อ, อันนี้ ทุกท่านคงรู้จักใช่ไหมเลยพลทีนี้พอสลอเนี่ยมีมา น, นานแต่ว่ากิจกรรมก็ไม่เข้มแข็งเจงกระทั่งว่า <c oughs> ทางคลิปเนี่ยทางคลิปนี้เขาจะมีรายงานไปที่วาติกันเป็นประจำจาแตกถ้าเราไปเจอเอกสารรับเป็นบุลเลตินออฟเดอะเซกเรเตเรียตเขา <c oughs> เขาจะรายงานไปเลยว่าการศาร ส, สนาในเมืองไทยนี่เป็นยังไงบ้างพุทธสมาคมเข้มแข็งไหม <c oughs> ยัวพุทธเป็นยังไงพอสลอเป็นยังไงเขาบอกไม่ได้เรื่องไม่มีกําลังอะไรแต่นั้นแหละพุทธภสษมหาคมพอสลออะไรเนี้ย <c oughs> ก็เป็นความจริงของเขาใช่ไหมนี่พอสลอก็คือตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของชาวพุทธโลกผู้ริเริ่มก็คือชาวลังกาท่านม า, าลเลเซีกระซึ่งเป็นนักปราดใหญ่ท่านก็เก่งมากแต่ท่านก็สิ้นอายุไปนานแล้ว นี่ต่อมาเขาก็ยกให้เมืองไทยเนี่ยเป็นสำนัก ง, งานถาวรไปเลยน่ตอนนั้นนึกนะนิย้อนอดีตก็ไทยก็เคยได้รับยอมรับมาแล้วให้เป็นสำนัก ง, งานถาวรขององค์การพอซลลนี่นะก็เราก็เป็นศูนย์โลกของชาวพุทธมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนแล้วตอนนี้เอาอีกตอนนี้มีการประชุมชาวพุทธทั่วโลกครั้งที่แล้วก็คล้ายๆทํำนองนั้นนะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก เอแล้วนะเยก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็คล้ายๆขึ้นมาอ่านแต่แทนที่จะไปที่พอสลอไม่มไม่ไปแล้วกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาไอ้เรื่องเก่าก็มาถูกทิ้งไปแล้วไอ้เรื่องใหม่นี้เราก็ยังไม่รู้จะตากำ<ม>ใช่ไหมแล้วคนที่พูดนั่นก็คือผู้ที่มาประชุมกันที่มีอาจจะเป็นพระจีนท่านเสนอขึ้นมาก็เป็นความดีของท่านแต่ว่าท่านก็อาจจะพูดไปตามที่ท่านนึกเห็นขนาดนะั้นแล้วคนอื่น เอาละมีมติร่วมกันและใจเขาความคิดเขาอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงจะทําได้แค่ไหนก็ในการที่จะพูดเองก็เริ่มในหลักการทั่วไปมันก็ดีสิการสัมพันธ์กันเรายินดีอยู่แล้วอย่างที่เรามีพอสล่แต่ทำไงให้การสัมพันธ์นั้นมันเกิดผลเป็นประโยชน์ในการสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ไปศูย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรก็ต้องจับตรงนี้ให้ได้ ก็เอาว่าถ้าเราถือว่าการเป็นศูนย์กลางพุทุศาสตร์หนาขงโลกมองว่าความหมายมันพอจะเข้าใจแล้วก็ดูความมุ่งหมายว่าสัมพันธ์แล้วก็เป็นศูนย์กลางเพื่ออะไรนะอ่าตอนนี้ต้องตอบไปได้เพื่ออะไรเพื่อว่ามาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวข้องกันแล้วมาเป็นศูนย์กลางเขามีอะไรเราก็ต้องมีตามนั้นหรือยอย่างไงอะไรเงี้ยนะนี่ก็แสดงว่าไม่ชัด เราก็ต้องเข้าใจเขาสิทีนี้ถ้าจะให้ดีว่าการสัมผันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะมุ่งประโยชน์จากกันและกันก็ จ, จะมองว่าเออถ้าเราเป็นสัมพันกับเขาแล้วเราได้อะไรถ้าอย่างชาวบ้านนี่อาจจะมุ่งว่าเออเขามาเที่ยวเมืองเราเราได้ประโยชน์ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นต้นอะไรใช่ไหมอะไรเป็ น, นการเงินการทองแต่ทีนี้ทางพระนี่เราไม่ได้มองในแง่ว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไร เรากลับจะมองในแง่ว่าเราจะช่วยทำประโยชน์ให้แกเขาได้อย่างไรเราควรมองง่ายนี้มากกว่านี้ว่าเราจะทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกได้อย่างไรอา้าวเรามองในแงน่นี้ก็เราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามาหาเราแล้วเขามาที่เราแล้วเขาคิดว่าเขาจะได้อะไรถ้าสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าเขามาที่เราแล้วเขาได้เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็จะได้ส่งเสริม และสองและสิ่งที่เขาควรจะได้จากเราที่เขาคิดจะได้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เราควรจะมีให้อย่างแท้จริงเราก็ทําตัวให้มีที่จะให้แก่เขาใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องสัมพันธ์กับความจริงด้วยคือข้อเท็จจริงที่เราต้องเข้าใจการประชดศาสนาในระหว่างประเทศเทววัตหมายาณอะไรเป็นอะไรมันต้องรู้เข้าใจชัดหมด เวลานี้นะ่ะเอาในแง่หนึ่งนี่นี่ให้ไปศึกษากันเลยว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาควรจะได้อะไรจากเราเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเอาอะไรมาให้เราแต่ว่าแน่นอนที่เขาอยากจะได้จากเราอาตมาจะเล่าให้ฟังซักเรื่องหนึ่งคือพุทธศาสนาเนี่ยที่มี แยกกันเป็นนิกายใหญ่ว่าเป็นเถรวาดมหายานเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่รู้กันมานานแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู <prene> <ors> ้ซึ่งกันและกันว่าฝ่ายไหนเป็นยังไงเราเถรวาดเราก็เป็นเทรวาดเราก็ไม่รู้จักมหายานเป็นยังไงก็พอจะรู้บ้างก็ในเมืองไทยเรามีพระจีนพระยวนเราเรงเรียกรวมๆการพระจีนก็เรียกจีนนิกายพระยวนก็เรียกอานามนิกายนีลึกลงไปเราก็ไม่รู้ต่อมาเราก็เห็นมีเจ้าแม่โกมิม เขาไหวบางเออศักดิ์สิทธิ์ท่าจะได้ลาบเราก็ไหวบางขอลาบไม่รู้เรื่องพระโกลอิมเป็นใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอวโลกิเตศวนเปพระโพธิสัตว์ไม่รู้แต่นั้นขอให้ฉันไหวแล้วฉันได้ลาบแล้วกันไม่ต้องรู้คนไทยนี่ไม่ต้องรู้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมหายานมหายานั่นเขาเริ่มรู้เราก็จะขอเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ ง, งคือเอาญี่ปุ่นเป็นตัวอยา่าง เพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีบทบาทในโลกมากอยู่แล้วก็กำลังเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยเยอะตลอดจากกระทั่งกิจกรรมระหว่างประเทศที่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ชื่อโกเกนมิซุโนะเป็นรองประธานมหาวิทยาลัยโกมาสวาโกมาสวานี่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่กรุงโตเกียวท่านโกเกนมิซุโนะนี่ก็เป็นวายส PRESIDENT จะเทียบตาแหน่งเมืองไทยอะไรก็ไม่ทราบของมหาวิท ย, ยาลัยแห่งนี้ ท่านก็เขียนหนังสือเล่าไว้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนเนี้ยทางญี่ปุ่นนะไม่รู้จักประเทศเทรวาไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงจึงกระทั่งมาติดต่อกับชาวตะวันตกอันนี้ก็อาจจะเป็นอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งของลัทธิอนานิคมคือว่าในแง่ไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ในแง่นี้เป็นประโยชน์ก็คือฝรั่งเนี้ยได้อนานิคมไปทั่วโลกโดยเฉพาะอังกฤษ ก็มีทั้งประเทศที่เป็นมหาวิทยานังเทนละาวานและนับถือาศาสนาต่างๆได้หมดเป็นอะไรดินแดนที่อาทิตย์ไม่ตกดินอ่ะนี้พวกชาวอังกฤษนี้ก็เป็นคนที่สนใจใยรู้เมื่อเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นๆที่ตัวปกครองเนี่ยก็เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้าศาสนาบางคนก็เปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนาก็มีอย่างที่ประเทศลังกาเนี่ยพวกนี้ก็ได้ศึกษาจนกระทั่งได้ไปตั้ง ปาลิเทคสุสัยตีในลอนดอนท่านลิสเดวิตและพวกเนี้ยก็มาจากพวกที่มานี่แหละมาใน ก, กิจกรรมของเมืองขึ้นอาณานิคมแล้วก็มาศึกษาพทุทธศาสนาเลยเรียนบาลีกันจนรู้จริงแล้วก็กลับไปพยายามที่จะถอดอักษรคัมภีภาษาบาลีจากอักษรสิงโหนเป็นอักษรโรมันแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ให้ฝรั่งรู้กันเนี่ยที่ว่าตั้งปาลิเทคสุสัยตีแล้วก็มีคนอื่นดีขึ้นมาเรียนกันนี่ท่านศาสตราจารย์ โกเกนวิสุนโนนี่คุท่านก็นเล่าบอกว่าฝรั่งที่เข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยก็นําความรู้เรื่องเทเลวาตเข้าไปเพราะฝรั่งเองเขาก็ถึงกันฝรั่งถ้าเรียนเรื่องหมหา ย, ยานบ้างเรียนเรื่องเทเลวาตบ้างเขาก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาเขาก็เอาความรู้ไปสังสรรค์แลกเปลี่ยนกันอะไรต่างๆก็เลยทําให้ชาวญี่ปุ่นพลอยรู้เรื่องพุทธศาสนาเทเลวา่าตเอาแล้วนะในญี่ปุ่นเริ่มเปิดกว้าง กว้างได้ความรู้กว้าง ม, มีสองอย่างกว้างได้รู้กับกว้างใจรู้แคบกับใจแคบทีนีอันนี้ความรู้เขาเริ่มกว้างขึ้นเขาก็สนใจแล้วเขาก็รู้ขึ้นมาแล้วเขาก็เทียบกันเขายอมรับเลยที่ญี่ปุ่นเขาแกเขียนไว้เลยแกบอกญี่ปุ่นก็ยอมรับกันว่าพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้านั้นคือเถรวาส่วนของมหายานเนี่ย พระสูตรทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นของแต่งขึ้นใส่พระโอษฐ์ที่หลังอันนี้เป็นคําของพวกมหายานเขาพูดเองนะเดี๋ยวนี้ไปดูหนังสือรุ่นใหม่ๆเนะี่ยเขายอมรับกันทั่วอย่างพวกดิกชันารีอับบูดิซึ่มอะไรเนี้ยบางทีก็เขียนตรงๆมาเลยอย่างท่านอย่างที่เป็นนายกสมาคมพุทธสมาคมลันดอนก็เขียนดิกชันารีอับบูดิซึ่ขึ้นมาเล่มหนึ่งนั้นก็บอกเลยว่าพระสูตรมหายาณเป็นสูตรที่แต่งขึ้นใส่พระโอษฐ์ ก็คือรู้กันนะ่ะเช่นสัตธรรมบุญริกสูตรมหาวัยโรจนสูตรรังกาวตารสูตรสุขาวตีวายูหสูตรอะไรก็เยอะแยะไปหมดเป็นสูตรใหญ่ๆซึ่งเป็นหลักของสมาธิานะก็รู้กันแล้วเป็นสูตรที่แต่งขึ้นภายหลังใส่เระโอดอันนี้ทางนักปราชญาชาวพุทธญี่ปุ่นก็แปรรู้กันและยอมรับแล้วต่อมาเขาก็เลยตกลงกันแต่ตกลงทั่วหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าโดยทั่วไปเขาตกลงกันแต่เขาไม่ยอมอยา่อย่างคือเขาบอกว่าถึงไงต้องถือว่าพุทธศาจธรรมหายานนี่สูงกว่าคืออันนี้ยอมไม่ได้ก็หมายความว่าถึงแม้มหายานตัวหลักพระสูตรเป็นต้นไม่ใช่คําสอนเดิมแต่พระอาจารย์ที่เรียบเรียงพระสูตรเหล่านั้นเป็นผู้รู้เจตนารมณ์ของพุทธเจ้าเรียบเรียงขึ้นเป็นของสูงกว่าเหนือกว่าพุทธเถรวาทแต่ยอมรับว่า คำสอนเดิมแท้เนี่ยต้องดูที่เทราวาสคือคํำผิดเดิมพระไตรปิฎกบาลีเทราวาส น, นี่เรียกว่าดั้งเดิมที่สุดรักษาไว้ได้มากที่สุดเราไม่ได้พูดวัดครบหมดแต่หมายความ่าเท่าที่มีมาถึงเราเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเทราวาสเนี่ยมากที่สุดเต็มที่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดได้แค่นั้นนี่พวกนักปรัชญาน ญ, ญ, ญ, ญี่ปุ่นก็ยอมรับกันก็เลยตกลงกันว่าต่อไปนี้เมื่อจะแม้จะศึกษาพุทธศาสนาไมยาน ก็ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นพื้นฐานนี่และต่อมาเขาก็แปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาแปลจบแล้วนะเราไม่รู้นี่แหละที่ว่าพาวกเถรวาทเนี่ยไม่รู้รู้แคบ <c oughs> เขารู้เขามาเอาเราไปแล้ว <c oughs> ตอนที่ทำไอ้พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะที่หมหาวิทยาลัยไม่โวนทำขึ้นก่อ น, นก็ได้ทราบจากฝ่ายมหาวิทยาลัยว่า ผู้ที่ซื้อมากที่สุดไม่ใช่คนไทยคนไทยไม่ค่อยเอาเรื่องเลยขายททบไม่ได้แต่เป็นญี่ปุ่นและฝรั่งพวกญี่ปุ่นและฝรั่งเนี่ยซื้อมากที่สุดพระไตรปิฎกบาลีนะที่เป็นฉบับคอมพิวเตอร์กลายเป็นคนต่างประเทศซื้อก็หมายความว่าเวลานี้เขาต้องการความรู้เกี่ยวกับเทรวาณ น, นี้มาเพื่อเอาไปเป็นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องการหนึ่งดูว่าดินแดนที่เรียวกว่าเป็นเถรวาณเนี่ย ได้รับหลักธรรมมาจนเข้าสู่สวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมีวิถีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเทโลวาดเกิดผลอย่างไรมาดูสิเทลวาดเป็นยังไงแล้วเรามีอะไรให้เขาดูที่แสดงความเป็นเทโลวาดหนึ่งแล้วนะแล้วสองเขาต้องการหลักธรรมคาสอนเทโลวาดอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ตัวหลักธรรมเนี่ยเรามีให้เขาไหมอันนี้ต้องยืนเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ต่อจากน้นความสัมพันธ์นี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เหนือจากนี้ไปก็คือความรู้เข้าใจเขาให้ชัดเพราะว่าบางทีเราไป น, นึกว่าอ๋อถ้าเป็นศูนย์กลางพุทธศาหนาแห่งโลกก็คล้ายๆว่าต้องยอมรับของเขาหมดมหายานแล้วเราก็พูดรวมๆคลุ ม, ม, มๆไปว่ามหายานโดยไม่รู้ว่ามหายานนั้นเขายอมรับกันหรือเปล่าอันนี้ก็เลยขอพูดอีกอย่างแทรกเข้ามาคือเป็นความเข้าใจที่คลุมเครือ เราพูดแค่ว่ามีเถรวานกับมหายานใช่ไหมและอย่างทีเราก็บอกว่าเถรวาสเนี่ยเราเรียกตัวเพื่อเรียกคำที่เขาเรียกเราที่มันไม่เหมาะเรียกว่าหินนยานก็เรียกว่าหินนยานกับมหายานเขาก็เรียกเราเป็นหินนยานแต่ต้องรู้ลึกลงไปอีกว่าคำว่าหินยานก็ตามมหายานก็ตามเป็นคำรวมๆซึ่งในนั้นนะมีนิการย่อยเยอ ะ, ยอ ะ, ยอะหินนยานเป็นคาที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อมหายานเกิดขึ้นมหายาณนี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าปริจุบันได้ผ่านไปประมาณช่วง500ถึง600ปีพอส500ขึ้นไปแล้วถึง600ปีเนี้ยพุทธศาสนามหายานก็เกิดขึ้นอย่างเถียงกันอยู่ว่าเกิดที่ภาคใต้อินเดียหรือเกิดที่ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือก็แถวแคว้นพวกเนี้ยพวกคันธาระอะไรพวกเนี้ยเออพวกนั่นแนหะแถวพระเจ้าการิสกะอยู่ในอัฟกานิสถานปัจจุบัน อันนั้นเป็นดินแดนศูนย์กลางของพุทธศาสนามหาญานที่ออกไปสู่จีนเกาหลีญี่ปุ่นมองโกเลียทิเบตอะไรพวกนั้นอาตาทีทิเบ ต, เ น, ต, เบตนี่ก็รับตรงจากอินเดียด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่มีหิมาลัยทีนี้หินยานก็เดิมไม่มีก็มีแต่พุทธศาสนาแล้วก็แยกนิกายย่อยไปเป็นนิกต่างๆเราก็เรียกเดิมเนี่ยเราเรียกว่ามีคาสอนที่ถือตามหลักการที่ พระเถระพุทธมสังฆนานครั้งที่1ตกลงกันวางไว้เม <im ri ana> <breakthrough> <urine> ื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานในสามเดือนที่เราเรียนสังฆนาครั้งที่1ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานในสาเดือนพระเถระ500รูปได้ประชุมกันทั้สังฆนารวบลงคำสอนของพระพุทธเจ้าวางเป็นหลักไว้เนี่ยสังฆนาครั้งที่1นี่ก็เรียกว่าพระเถระ500องค์วางหลักฐานไว้เราถือตามคำสอนของพระเถระนี้เราเรียกว่าเถระวาน นี่คือที่หมองทำมัธย์แล้วว่าทีนี้ต่อมาก็มีผู้ที่คิดเห็นแตกแยกหรือว่าถือปฏิบัติไปว่าไอ้ที่วางไว้เนี่ยบางอย่างมันปฏิบัติไปได้เพราะว่าการเวลาการละเทศะมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะทางวินยัยก็เลยมีผู้ถือปฏิบัติยกเว้นข้อปฏิบัติบางข้ออะไรเกิดขึ้นเรียว่าย่อหย่อนไปก็ทําให้เกิดการสังคีนาครั้งที่สองแล้วก็ถือคําสอนะแในไรเริ่มเพี้ยนออกไปเราก็เรียกพวกลัทธิ ที่สอนต่างออกไปจากเถรวาสเดิมเนี่ยว่าอาจารยะยะวาดถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอาจาริยวาทเรียกเป็นสอนสกฤตว่าอาจารยะยวาดอาจาระนี่อาจารย์นี่เป็นสอนสกฤตรถ้าบาลีต้องสั้นเป็นอาจารอาจารยระยวาทก็มีอาจาริยวาดแยกกันไปก็คือถือตามอาจารย์เถรวาสนี่ก็หมายความถือตามที่พระเถระพุทธรรมสังคีณาวางไว้ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานสมเดือนก็คือหมายความว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระเถระห้าเนี่ยท่านรวบรวมไว้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนี่พระที่สอนต่างไปก็ตามตามอาจารย์และเพราะว่าอาจารย์ไปหัวหน้าคนไหนนับถือตามอาจารย์นั้นก็แยกไปเป็นอาจารย์อริวาสหนึ่งอาจารยวาทหนึ่งก็มีอาจารย์อวาสเนีเกิดขึ้นมามากมายเรื่องก็มีมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งสังฆทานาครั้งที่ส พศประมาณ218ที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงเป็นพระองค์เอกอัคารศาสนปาปฐมภพเนี่ยจัดสังเขนาขึ้นก็ทรงชำระด้วยคือนอกจากสังเขนาทบทวนรวบรวมประมว ล, มวลคําสอนหลงพุทธเจ้าแล้วก็ชำระศสาสาร์างการพระศาสนาด้วยการชำระศาสาร์สางนี่เลยกลายมาเป็นคนยุคหลังเข้าใจผิดเอาเป็นความหมายการสังเขนนาไปเดี๋ยวนี้พูดคําว่าสังเขนากลายเป็นชำระศาสาร์สาง ที่จริงสังขยาคือรวบรวมคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาหลักนั้นมาเป็นมาตรฐานในการชำระศีรารอีกทีหนึ่งการชำระศสรสารนั้นเป็นงานสืบเนื่องจากสังขยนางานสืบเนื่องจากสังขยาไม่ใช่สังขยาแต่เดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าไอ้คำว่าสังขยนาเนี่ยมีความหมายเป็นการชำระ ส, สีรารใช่ไหมลูก่อลเ <c oughs> นี่ยมันยุ่งอย่างเงี้ยคนไทยทีนี้เอาละพระเจ้าโศกก็ทาสังขยา ก็ในด้านของพระพระโมคคีบุปติสเทระก็ประมวลําสอนประชุมพระสงฆ์ทําสังเนารวบรวมไว้เป็นหลักแล้วพระองค์เองชําระการพศศาสนาเป็นแม่กองในการสอบความรู้พระปรากฏว่าพระถูกให้พระขาวให้พราขาวม้าขาวเป็นเครื่องหมายว่านิโมนตศึกเพราะว่าพระเจ้าโศกนิวธรรมการพศศาสนามากพวกเดรัทธีก็ถือโอกาสได้ลาบก็เข้ามาปลอมบวชไม่รู้หลักพระศาสนาเยอะแยะไปหมด คราวนั้นก็ปรากฏว่าได้พระขาวไปหกหมื่นองค์มากไหมเลยบ่ก็มากใช่ไหมนี่ก็ที่เหลือถ้าใครไม่ศึกก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปตอนนี้แหละที่เขาบอกว่าก็เลยหนีไปอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือกันมากเป็นแดนเกิดหมายญาณที่ว่าเมื่อกี้เอาละทีนี้อาจาริ์ได้ว่า น, นี่ก็แปลว่าเหมือนกระถูก ไล่ออกไปจะใช้คําว่าไล่ก็อาจจะแรงก็หมายความว่าเหมือนก็ถูกบีบหรืออะไรนะถูกกติกาทําให้ต้องออกไปในศิลาจารย์พระเจ้าโศกก็มีบอกว่าให้สง์สามขีกันเพราะตอนนั้นพระสงฆ์ไม่ยอมทําสังฆกรรมร่วมกันตั้งหลายปีพระเจ้าโศกก็ทําการนี้เสร็จก็ขอนิมนต์พระสงฆ์ทําอุโบสถพระสงฆ์ก็จึงมาประชุมทําสังฆกรรมกันอีก และพระเจ้าโสกก็สัมศิลาจารึกไปศิาาลาจารึกพระเจ้าโสกก็ยังมีบอกว่าขอให้พวกเจ้าหน้าที่ดูแลว่าภิกษุหรือภิกษุณีใดทำให้สงแตกแยกให้ให้พผ้าขาว้ไม่ให้อยู่ในเขตนี้อะไรเงี้ยนะี่นี่ิาาลาจารึกก็สอดคล้องกับเรื่องของในคำพีรนะ์ะเอาละก็แบนวันนี้เป็นเรื่องของสังฆนาคราที่สามก็ยังไม่มีหมา ย, ยานแต่ตอนนี้มี อาจารยวาหนึ่งหรืออาจารยว่าหนึ่งเรียกว่ามหาสังคิกะมหาสังคิกะนี่แปลว่าพวกใหญ่มหาสังคิกะเนี่ยก็ต่อมาก็มีการจเจริญเติบโตพูดรวบลัดไปเลยว่าต่อมาประมาณพศช่วงห้าร้อยถึงหกร้อยเนี่ยถือกันว่ามหาสังคิกะเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเป็นมหายาณก็เป็นอาจาริยวา่าหอาจารย์ว่าหนึ่งเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเป็นมหายาน เมื่อมหายานเกิดขึ้นแล้วคือคือไม่ใช่เกิดขึ้นอะคือมหมายเข า, เขาเรียกตัวเองเขาก็หาคําเรียกตัวเองก็เรียกตัวเองก็ต้อ ง, ตองเรียกข ห, หญ่ก็เกิดคําว่ามหายานขึ้นมาก็แปลว่ายานใหญ่สามารถผลสัตว์ไปสู่พนิพพานข้ามพ้นวัตสงสารได้มากมายแล้วก็เรียกนิกายอื่นๆอาจริวาสอื่นๆที่มีอยู่เก่าเรียกว่าหินญาณสับว่าหินญาณก็จึงเกิดขึ้นจากมหายาน เพราะนั้นจึงพูดแบบล้อเล่นกันว่ามหายานกับหินยานใครเกิดก่อนถ้าตอบโดยรู้ไม่ทันก็บอกว่าหินยานเกิดก่อนเขาก็บอกไม่ใช่อว่าอ้าวดั้เดิมคําว่าหินยานไม่มีมหายานเกิดขึ้นแล้วจึงมีคําว่าหินยานใช่ไหมอันนี้เรียกว่าคําว่าหินยานเกิดทีหลังแต่เนื้อตัวหินยานนะ่ะมีอยู่ก่อนอันนี้เป็นการเล่นสํานวนกันอันนี้เอาไว้สําหรับทําให้จําแม่น ก็แปลว่าเขาก็เรียกนิกายเก่าๆว่าเป็นหินยานหินยานก็แปรว่ายานเลวไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต่ําไม่ควาไม่สามารถจะขนสารพัสัตวไปได้ไปได้นิดๆได้ดหน่อยและบางทีก็เรียกว่าสาว ก, กยานแปลวยานของพระสาวกส่วนของมหายานนั้นก็เรียกว่าโพธิสัตวาา์เทวียนยานของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีมหากรุณาจะช่วยสัตว์ไปได้มากๆเอาแล้วก็แปลว่าเกิดมหายาน ทีนี้ตอนนี้มีมหายาณกับหินญาณมหายานาญญก็เกิดใหม่ในระหว่างพศห้าถึงหกร้อหินญาณก็เป็นของที่มีมาแต่เดิมหินญาณเนี่ยต่อมาก็สูญหายไปหมดเหลือเถรวาทเก่าอันเดียวจะเหลืองเหลืออยู่บางนิดนิ น, น่อยอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนิกายชื่อริสุเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแนวหินญาณก็ไม่ถือเป็นหินญาณแท้อยู่ในแนวหินญาณคือตอนที่พุทธศาสนาออกจาก อินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือดินแดนแถบอัฟกานิสถานเนะี่ยชมพูทวีตตะวันตกเฉียงเหนือจะเรียกอินเดียก็ไม่ถูกละก็แถวอัฟก า, านิสถานปากีสถานที่ติดอาเซียกลางนะ่ยพวกนี้ตอนนั้นเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาฝ่ายเหนือซึ่งพระเจ้ากานิสกะเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่หลังพระเจ้าโศกพุทธศาสนาก็ได้ที่นี่เป็นศูนย์กลางก็ออกไปทางอาเซียกลางไปถึงเมืองจีนแต่ว่าที่จริงมันมีมาเรื่อยๆก็ไปเนี่ยต่ไปกระเซ็นกระสาย นี่มหาญาณตอนนั้นที่บอกเมื่อกี้ว่าพุทธสอนนาที่หนีไปจากพระเจ้าโศกก็ไปอยู่แถวนั้นก็มีพวกนิกายหินยานเก่าด้วยเช่นสรวัสติวาทินก็เป็นนิกายใหญ่ที่พระเจ้ากานิสกะก็นับถือจัดสังเขนาครั้งที่4ของพระเจ้ากานิสกะก็เป็นของนิกายสรวัสติวะทินเนี่ยแล้วมหายาณเขายอมรับก็บางทีก็เลยเรียกว่าเป็นการสังเขนาของมหายานอันนี้สรวาวัสติวะทินที่เป็นฮินยานเดิม ก็ออกไปด้วยกมหายานไปทางอาเซียกลางไปจีนแล้วไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอะรพวกนี้แต่สราวัติวาทินเองในอินเดียต่อมาก็ศูนย์ที่อื่นก็ศูนย์หมดก็เหลือเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่าเช่นที่เป็นนิกายย่อยๆมีคนนับถือซักเป็นหมื่นๆคนที่ญี่ปุ่นเอาละมหายาลเมื่อเกิดขึ้นระหว่างพศ5 0 0 6 0 0ถึงแล้วเนี่ยพ่อมหายานนี้ทับถือเป็นอาจารยวัหนึ่ง อาจารย์เรียว่าก็คือนับถือตามอาจารย์เมื่อนับถืออาจารย์ก็จะมีอาจารย์ใหม่เกิดขึ้นอาจารย์ใหม่ก็จะไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นว่ามีคําสอนที่ดีกว่านี้น่าจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่นับถือตามไปก็กลายเป็นอีกนิกายหนึ่งก็เกิดอาจารย์รียว่าใหม่โดยวิธีนี้ไม่ช้ามหาญาณก็เกิดนิกายใหม่เยอะแยะเลยในขณะที่หินญาณ น, นั้นหมดเหลืออยู่เทรวาณอันเดียวของเดิมแท้เลยแปลว่าหินญานเหลืออันเดียวเทรวาณ เหลือเล็กน้อยอย่างสารวาสีวาทินในญี่ปุ่นเนี่ยเชนิไกดิสูนี้ต้องไม่นับแล้วทีนี้มหมายานนั้นก็เกิดขึ้นมากมายมากมาย ก, ก, ก็เข้าไปทีนี้มันโดยทางประวัติศาสตร์ด้วยมันทําให้ประเทศฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เนี่ยกลายเป็นเถราวาดหมายญาณคือทางเรานี่ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซาว์อีเชียเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเถราวาดเพราะว่ายัางไงเพราะาพระเจ้ า, าโศกเนี่ยเมื่อจัดสังเขนาครั้งที่สมแล้ว พศ2 1 8โดยประมาณขึ้นครองราช 235-236 จากสังคยนาแล้วก็ส่งสาศาสนทูตไปประกาศพระาศาสนา9สายสายหนึ่งก็ไปลังกาส่งพระโอรสไปเลยชื่อมหินตเทระแล้วพระสังฆมิตรเทรีก็ตามไปเป็นภิกษุณีเอาหน่อพระสรีมาโพมาปลูกที่ลังกาแล้วเมืองไทยนี้ก็มีดินแดนสวนุวรรณภูมิมีพระโสอุตรมา พม่า ก, กับไทยก็เถียงกันว่าสุวรรณภูมิเป็นที่ไหนไทยก็ของฉันพมากก่าก็ของเขาพม่า ก, ก็บอกเมืองสซเทิมอยู่ริมทะเลเหมือนกันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิไทยเราบอกขึ้นที่นครปฐมเพราะตอนนั้นนครปฐมนี่ยังติดทะเลดินนี่มาขึ้นทีหลังเอาละต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันแล้วว่าสุวรรณภูมิก็มาขึ้นที่นครปฐมแต่ไปอ่านว่าพุะทศศาสนาแบบพระเจ้าสด ก, ก็คือแบบเถรวาทเดิมเนี่ย ก็มาทางเรือการติดต่อสมัยนั้นมาง่ายทางเรือนี่พระเจ้าอโศกมหาราชอนี้เล่าเป็นความรู้ประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงมหาราชนี่ครองเมืองปาฏลีบุตรใช่มหมยหรอคว้นมคตอยู่ที่เมืองปาตาริบุตรเมืองหลวงกล่าวชื่อราชคลื่แต่สมัยพระเจ้าทรงมหาราชเนี่ยย้ายมาแล้วย้ายมาตั้งแต่ก่อนพระองค์อมาอยู่ที่เมืองปตาตลีบุตรนี้จากปาฏาริบุตรมาก็ต้องมาลงเรือที่เมืองท่าชื่อตามพาริติ ตามผลิตินี่ปัจจุบันเรียกว่าเมืองตามลูกยังมีอยู่เรียกว่าเมืองตามลูกแล้วเดิมนั้นอยู่ติดทะเลจะมีเรื่องในคัมภีร์พุทธศาสนาชื่อเมืองตามผลิติเนี่ยพระเจ้าโศกก็นั่งเรือจากเมืองปาติริบุตรตามแม่น้ําคงคามาที่เมืองตามมลิติเนี่ยใช้เวลาในคัมภีร์บอกว่าเจวันแล้วมาที่ตามผลิติแล้วก็ส่งสมโนภาษีมหาโพกพับพนางสังคมิตาลงเรือ มาที่ศรีลังกาศรีลังกาตอนนั้นก็เมืองอนุราธพุระเป็นเมืองหลวงเดี๋ยวนี้พระสรีหมหาโพธิ์ที่อายุยาวนานที่สุดในโลกนี้ก็อยู่ที่เมืองเนี้ยอนุราทพุระฝรั่งบอกว่าเป็นต้นไม้ปลอดสารที่อายุยาวที่สุดในโลกอันเนี้ยนี่เป็นตัวสถิติเลยฝรั่งเขาเอาขึ้นตัวเลขเขาไว้เพราะว่าเพระต้นพระีมาโพธิ์เดิมที่พุทธคยานั้นถูก โคนถูกเผาถูกน้ำร้อนอะไรต่างพวกที่เขาต้องการทำลายพุทธศาสนามาแต่ที่อนุราถภุระนี่อยู่ใช่ไหมกระหน่อนนก็นับพศประมาณ2องสาิห้าเป็นต้นมาก็หักไปจาก2 5 4 8าสก็2องพกว่าปีอันนี้พุทธศาสนาสมัยนั้นที่พระเจ้าโศกส่งไปเนี่ยก็มีมา9ก้าสายสายนี้มาง่ายมาทางเรืออย่างที่ว่าเพราะการค้าทางเรือมาได้ง่ายอยู่แล้ว จากตามลิติตามลิตินั้นก็อยู่ใต้กันกระต้าปัจจุบันใต้จากกันกระต้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก55กิโลเมตรแล้วก็ปัจจุบันนี้แผ่นดินมันยืนออกไปก็เลยตัวตาผลิติเองปัจจุบันนี้นอยู่ห่างจากทะเลหรือมหาสมุทรอ่าวเนี่ยประมาณ97กิโลเมตรนะนี่ดินงอกขนาดไหนแล้วลองลองมาเทียบกับเมืองไทยนะคปรปฐมเป็นไปได้ไหใช่ไหม อ่า น, นี่ดูสิเมืองเขาที่ต้นทางอะ่ะเขาก็คผนดินรอกมา9กกิโลสองพันปีเลยก่อนเอาละก็ขึ้นที่ตามลิปติเนี่ยเป็นเมืองท่าใหญ่จะมาทางสุวรรณภูมิไปทางอนุราตปุระศรีลังกาก็ได้ที่จริงมาทางสุวรรณภูมนินกรปรถมนี่ใกล้กว่าดูจะพันห้าแดกิโลจากตามลิปติเนี่ยมาถึงนครปฐม ถ้าไปถึงอนุราธทปุระศรีลังกายังต้องพันเจ็ด้ยปสห้ากิโลโดยประมาณก็หมายความว่าไปอนุราเทปุระลังกาไกลกว่าเรานี่ในยุคนั้นนะ่ไปทางมงจี น, นยากเพราะว่าอินเดียกับจีนนี่มีภูเขาหิมาลายขันก็ต้องอ้อมและยิ่งดินแดนพระเจ้าโศกในศูนย์กลางยิทิปาริบุตรอยู่ทางตอนออกชิงเหนือไม่ใช่อยู่ทางตอนตกเพราะนั้นไกลลิบลับ ตองเดินทางไปในอินเดียเองชมพูทัวยินเนี่ยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปต้องไกลลิบต์ไปจนสุดแดนแล้วก็อ้อมภูเขาหิมาลัยใช่ไหมเลยบอนอ้อมภูเขาฮิมาลัยผ่านอาเซียกลางที่เป็นแดนแดนทะเลทรายดเดือดทะเลอย่างสมัยพระจักพระถังสัมจังเดินทางสมัยหลังมันเนี่ยยังแทบตายบางทีไอ้ภูเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหวตัดลงไปอย่างเงี้ยปีนเปืนกันยากเพราะฉะนั้น ไปแผ่พุทธศาสนาจึงไปได้ยากถนนก็มาทางนี้ก็แปลว่าโดยสภาพทางภูมิศาสตร์วัติศาสตร์เหตุการณ์มันทําให้พุทธศาสนาแบบเดิมของเถรวาทเนี่ยมาทางเราก็แปลว่ามาทางของเราไดง่ายม า, าา ม, มาทางสุวรรณภูมิมาทางศรีลังกาและก็รักษาคําสอนเดิมไว้ต่อมาศรีลังกาและตลอดจนพวกไทยพม่าอะไรเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่รักษาพุทธศาสนาแบบเดิมไว้ที่เรียวกว่าเถรวาทในขณะที่อินเดียนั้นหมดศูนย์ ต่อมาแม้ทางด้านการเมืองอะไรแต่ละมันก็เปลี่ยนหมดก็กลายไปว่าทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยรัฐทางด้านนี้ตกลงในที่สุดก็เสื่อมไปก็ไปเจริญทางด้านตอนตกเฉียงเหนืออย่างพระเจ้ากันนิสกะแล้วต่อมาก็กลับมาเจริญทางนี้นี่และต่อมาก็ทางทับมุสลิมก็เข้ามาทําลายหมดอันนี้ก็มาพูดถึงหม้ายานในตอนที่ไปเจริญทางตอนตกเฉียงเหนือตอนนี้มันอยู่ใกล้แล้ว คือดินแดนปากีสถานคันธาระนี้ก็คือปัจจุบันอยู่ในปากีสถานโดยเฉพาะเมืองที่เราเรียกว่ากันดาห้าตอนที่รบระหว่างทาลิบันกับอเมริกันเนี่ยกันดาหานั่นแหละพจนานุกรมสันสกฤตเขบอกเลยว่าเป็นคําที่ไปจากคันธาระกันดาห้าคือคันธาระแคว้นคันธาระแคว้นคันธาระก็ใหญ่มากเป็นที่ตั้งของมหาวิเลยน์ตักกัิลาและตักกัิลาก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นคันธาระนี้นี่ คนที่จะไปทางอาเซีกลางไปจริงก็ต้องไปทางตักศิลานี่แหละแล้วก็ไปออกทางที่ปัจจุบันเป็นอัฟกานิสถานอะไรพวเมืองมาซาอาชารีอะไรที่ตอนนั้นก็เป็นศูนย์กลางที่ทาริบันลบกับอเมริกันเนี่ยก็ไปทางนั้นขึ้นไปก็ไปยากก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอจริงกระทั้งว่าพุทธศาสนาจเจริญในยุคหลังพศหกร้อย อ, อะไรแถวนั้นะเอาไปว่า ในช่วงนี้เมื่อพุทธศาสนาขึ้นไปเจริญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็เลยกลายไปว่าพุทธศาสนาเริ่มไปทางอาศสีกลางและไปจีนเพราะฉนั้นพวกจีนนี่ก็เลยได้รับพุทธศาสนาที่เป็นชิดเป็นอันใน ย, ยุคหลังยุคแรกในไปกเกษงรก็สาจนไม่เป็นเรื่องก็เลยมีเรื่องว่าพระเจ้ามิ่งตีกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเป็นผู้รับพุทธศาสนาเป็นองค์แรกนี่ตัวเลขทางการว่าพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน ในสมัยพระเจ้ามิ่งตีกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นคิดสกกลา 65, นะดหกสิบห้านี่สกรลาดหกสิบห้าก็คิดเป็นพอศท่าไร่คิดเอาเองก็ห้าสี่สาบวกเข้าไปได้เทลายเลยบอยก็ด้วยจะประมาณห0ร้อยแปดใช่ไหมได้ขอศห้อยแปดพอศนะพุทธศกกราดห0ร้อแปดมาทางเรานี่มาเมื่อพอศสองรนะ้อสาสิบห้าไปจีนนี่พอศหร้อยแปด หกร้อยแปก็คือเข้ายุคมหายานแล้วเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ไปจีนก็จึงเป็นธรรมดาที่เป็นมหายานเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีสรวาสีวาทินและที่กเกษินกระสายไปอยู่ทโนนแล้วต่อมาก็ค่อยๆจางไปอั น, นี้สรวาสีวาทินไปบ้างเล็กน้อยก็เป็นมหายานเป็นส่วนใหญ่ก็ไปเจริญในจีนอยู่อีกนานนะต่อจากนั้นก็เข้าสู่เกาหลีเกาหลีก็ได้รับพุทธศาสนาจากจีน ในประมาณคศ372คศ372ก็หมายความว่าเกาหลีรับหลังจากจีนประมาณ300ปีนะคิดคือคื อ, คอมองมองภาพประวัติศาสตร์ก่อนประมาณ300ปีแล้วต่อมาจากเกาหลีเนี่ยพุทธศาสนาก็เข้าสู่ญี่ปุ่นนะกษัตริย์เกาหลีก็ส่งทูตไปที่ญี่ปุ่นมีการติดต่อกันแล้วทางกษัตริย์ญี่ปุ่นจั ก, กรพรรดิเนี่ย ดูจะชื่อพระเจ้ากิมเมอีกก็ได้รับพุทธศาสนาจากเกาหลีอันนั้นเขาเรียกยุคอาซึกะยุคก่อนที่จะมีเมืองหลวงประจําที่คือญี่ปุ่นเนี่ยในยสมัยโบราณเขามีเมืองหลวงไม่อยู่กับที่พระเจ้ากพัตองค์หนึ่งขึ้นมาก็ตั้งเมืองหลวงที่ที่นี่พออีกองค์ขึ้นมาอ้าวไม่ชอบใจย้ายไปเมืองโน้นเมืองหลวงก็เลยไม่ประจําที่แต่ได้มากจะย้ายอยู่ระหว่างห้าเมืองเขาก็เลยเรียก ยุคก่อนที่จะเป็นยุคประจําที่เนี่ยไปตั้งอยู่ที่เมืองชื่ออาสึกะซึ่งอยู่ใกล้ๆที่จะตั้งเมืองหลวงต่อไปชื่อเมืองนาราไม่ห่างเท่าไหร่หรอกอันนี้พระเจ้ากิมเมอีนี่ก็รับพุทธศาสนาจากเกาหลีเมื่อคศ552อหาก็พอศก็ผันเสร็จแล้วใช่ไหมเลวบอนนี่ก็คือหลังหลังเกาหลีไปอีก200ปีเนเอาว่าเกาหลีรับหลังจีน300ปี ญี่ปุ่นรับหลังเกาหลีอีกสองปีพุทธศาสนาที่ไปจากเกาหลีก็เป็นเรื่องไปจากมงจีนนั่นเองทีนี้ต่อมาก็มีคนดีของญี่ปุ่นเกิดขึ้นคือต่อมาพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยถูกลอบลงพชนแล้วเขาก็ตั้งจกักรพรรดินีพระจกักรพรรดินีองค์นี้ก็เลยตั้งโอรสของพระจกักรพรรดิที่สวรรคตถูกลงพชนให้เป็น ผู้สำเร็จราชการและเป็นมกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารองนี้เป็นคนสาคัญมากเรียกว่าเป็นผู้ที่ชาวชาวญี่ปุ่นนับถืออย่างยิ่งเลยเป็นผู้วางรากฐานประเทศญี่ปุ่นชื่อเจ้าชายโชโตกุจ้าเจ้าชายโชโตกุตอนนี้ก็อยู่ที่อสซึกะนี่แหละก็รับราชการสนองพระจักรพ ด, ดินีที่เป็นพระนางเนี่ยแต่ตัวเองนั้นก็กลับสิ้นชีวิตก่อนพระนางนี้ก็ดูจะ ครองราชตั้งแต่ประมาณคศ .592 มาถึงคศ .628 อันนี้เจ้าชายโชโตกูนี่ก็เริ่มเป็นผู้สมรรจราชการเมื่อคศ .592 อยู่ได้30ปีไม่น้อยเหมือนกันนะ30ปีสิ้นผชนเมื่อคศ .622 ก่อนพระจักรพรรดินีเนี่ยหกปีอันนี้เจ้าชายโชโตกูนี่ก็ รับพุทธศาสนาจากจีนโดยตรงเลยครั้นี้ส่งคนมาเรียนเมืองจีนตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศละเดิมนั้นพุทธศาสนาไปญี่ปุ่นจากเกาหลีก็เปลี่ยนเป็นไปจากจีนก็ส่งคนมาเล่ามาเรียนในตะไลพุทธศาสนาแบบจีนก็เข้าไปสู่ญี่ปุ่นต่อมาเมื่อสิ้นเจ้าชายโชโตกุสิ้นพระจักรพรรดินีที่เป็นพระนางนางแล้วต่อมาทายาทของเจ้าชายโชโตกุนี้ถูกลอบลงประชนอีกแล้วก็มีพวกตระกูลชิงอํานาจกัน ในที่สุดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่แล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่นาราตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะมีเมืองหลวงประจําทีนะ่มีนาราเป็นราชธานีเขาก็เรียกว่ายุคนาราตอนนี้ใช้เมืองหลวงเป็นชื่อยุคละยุคนาราแต่ยุคนารานี้ไม่นานแค่คศ710ถึงคศ7 8็ดเท่านั้นเองอันนี้ ก็เกิดพุทธศาสนานิกายต่างๆคือบอกแล้วมหายาณนี่เป็นอาจารยยวาทรับจากจีนจีนเองก็มีหลายนิกายละก็คืออาจารยรียวาทต่างๆที่เรียกนิกายต่างๆย่อยก็คืออาจารยวัดคำสอนของอาจารย์เจ้าลัติเขาจะถืออาจารย์เป็นหลักบางทีนับถือยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้านั่ก็ก็แน่แหละก็เป็นพุทธศาสนาก็ต้องนับถือแต่ว่าเอาตามที่อาจารย์สอน ว่าพระพุทธศาสนาตามที่อาจารย์ฉันสอนว่าอย่างนี้ใช่ไหมนะก็เรียกว่าอาจารย์เรียวัดในสมัยนาราเนี่ยก็จะมีนิกายอยู่ในเราหัหกนิกายไม่จําเป็นตั้งจํา่จมีนิกายซานรอนเคงอนฮอตโซอะไรพวกเนี้พวกนี้แทบจะหมดแล้วปัจจุบันนี้เหลือาศาสนาที่แค่เป็นหมืนม่นๆคนเท่านั้นเองแทบจะสูญพอนาราจบไป ก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเฮอันะหรือเรียกว่าเฮอันเกียวก็ขึ้นยุคที่เรียกว่าย hey, ุคเฮอันจากยุคนาราก็เป็นยุคเฮอันตามชื่อเมืองหลวงเฮอานนี hey, ้คือปัจจุบันเรียกว่าเมืองเกียวโตเกียวโตอันเดียวกันเฮอันเกียวก็เมืองเกียวโตนั่นเองยุคเฮอันนี้ก็ตั้งแต่คศ784ถึง1185โดยประมาณ ยุคเฮอยนเนี่ยพระจกักรพรรดิยังใหญ่อยู่ต่อจากนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือพวกขุนศึกมีกำลังขึ้นตอนนี้ซามูไรก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็รบกันระหว่างพวกหรือตระกูลชิงอำนาจกันจนกระทั่งว่าตระกูลขุนนางพวกนี้ยก็มีอานาจไปเองจกนกระทั่งจักรพรรดิเป็นหุ่นเชิดแล้วก็มีขุนนางพวกหนึ่งเนี่ยไปตั้งตัวอยู่ที่เมืองอื่น ชื่อเมืองกามากุระเมืองกามากุระนี้ก็อยู่ใต้โตเกียวมาทางตอนตกเฉียงใต้ไม่ไกลไม่ไกลโตเกียวนะโตเกียวเกียวโตวคนละอันนะไกลกันลิบลับเลยไกลกันด้วยจะเกือบสี่รอกิโลเนะี่ยเกียวโตวอยู่ทางตอนตกโตเกียวอยู่ทางตอนออกตอนนี้พวกขุนนางขุนศึกใหญ่ที่เฮอานหรือเกียวโตเนะี่ยก็ไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่กามากุระอำนาจกลายไปไปอยู่ที่ ขุนศึกและขุนศึกคนหนึ่งเนี่ยพอคอสอีกแค่เจดปีหลังจากขึ้นยุคนี้ดูกับคศสอหนก็ได้รับแต่งตั้งจา ก, จา ก, จากพระจักรพรรดิเป็นโชกุนโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นเกิดเมื่อคศ1อหนึ่ก้าที่กามากุระกามากุระของโชกุนนี่ก็ยิ่งใหญ่จกักรพรรดิที่เฮียนกลายเป็นหุ่นเชิดเฮอยนก็ยังอยู่เขาเรียกว่าร ะ, ระบบไดอาคี แต่ที่หมายความว่าทวิธาธิปไตยทวิธาธิปไตยหมายความว่ามีการปกครองที่มีศูนย์กลางอํานาจหรือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองสองแห่งก็คือที่เคอานี้เป็นของฝ่ายผลเรือนพระเจ้าจั ก, กรพรรดิและวก็ที่กามากุระเป็นของโชกุนแต่อํานาจที่แท้อยู่ที่โชกุนที่กามากุระเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็เรียกชื่อว่ายุคกามากุระยุคกามากุระก็เริ่มตั้งแต่คศ1นึ่เนี่ย มาถึงขศ 1,333 นส้นี่เราก็มาดูว่ายุคเฮอานเนี่ยก็มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เป็นนิกายสำคัญอยู่ย่งยืนมาจนปัจจุบันนี้สองนิกายนิกายชินกนกับ น, นิกายเทนใดชินกอนกับเทนใดเทนใดนี่เหลือเล็กมากเหลือนิศาสนิกเป็นแสนเท่านั้นแต่ว่าชินงอนนี่ยังใหญ่มากโยมอาจจะจำไม่ไหวแต่ว่าให้พอเป็นผ่านๆไว้ก่อนชินงอนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพูดถึงอีก เป็นสองนิกายใหญ่แห่งเฮอ่านยุคเฮอยรนแล้วพอมายุ ก, กามากระของโชกุนที่โชกุนเป็นใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็เกิดนิกายพุทธศาสนาใหม่ๆขึ้นมาคือสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นบางทีประชาชนขาดที่พึ่งะอะไรตอนนี้ประชาชนก็จะเรียกร้องความช่วยเหลือแบบอ้อนวอนให้มีพระผู้มาช่วยมาโปรด พุทธศาสนาแบบมหายยาเนะี่ยอย่างที่ว่าเขาเป็นอาจารยวิวาดเขาแตกนิกายง่ายก็จะเกิดอาจารย์วิวาดใหม่ๆหมที่กามากุระก็จะเกิดมีนิกายใหม่ๆเป็นสายหนึ่งเรียกว่าสายพิวแลนด์พิวแลนด์ก็คือพวกสุขาวดีนิกายสุขาวดีที่นับถือพระอมิตาภะอยู่ที่สวรรค์ชัตะวันตกนับถือสุขาวติวะยู่หัสูดก็คือนโมอมิตาภะเวลาเขาเรียกง่ายๆ่ายเขาเรียกกันเนมบุตรสุเนมบุตรสุ ก, ก็คือคํา นมัสการพระอมิตาภะภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่านัมุอามิโตโฟอะไรทํำนองนี้แหละแต่วาออกเสียงไม่เป็นเอาไปว่าเขานมัสการพระอมิตาภะกันละกันเรียกง่ายๆว่าเนมบุสุพวกเนมบุสุนี่ก็นิกายเพีวแลนด์ก็เกิดขึ้นในยุคดามากุระนี่ที่เป็นสําคัญก็นิกายโจโดโจโดนี่เอาละนิกายใหญ่อยู่จนปัจจุบันนะมีสาสนิกถึงลานแล้วก็ มีอีกท่านหนึ่งท่าโจโดนี้ท่านโฮนเนนไปผู้ตั้งแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็มาแยกออกจากโจโดนี้บอกว่าโจโดนี่สุขาวดีไม่แท้สุขาวดีแท้ต้องเป็นอย่างนี้กลายไปอีกนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายชินโดยท่านชินเรนไปผู้ตั้งเลยเรียกนิกายชินถ้าชินพอกว่าแทแต่นิกายสุขาวดีแท้นิกายชินเนี่ยปัจจุบันเป็นนิกายใหญ่ที่สุด ข, ของญี่ปุ่นมีสา ส, สันนิกชนมากที่สุด นี่คนไทยเนี่ยสับสนมากเขาบอกนึกกายชินนึกว่าชินโตคนละเรื่องชินโตเป็นคนละศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาชินโตคือศาสนาญี่ปุ่นนับถือพระสุริยเทวีอมะเตรสุที่ถือว่าคนญี่ปุ่นสืบมาจากพระสุริยะเทวีเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์ลูกพระอาทิติก็คือศาสนาชินโตคนญี่ปุ่นนั้นมักจะนับถือคู่กันไปเด็กในคนเดียวกันระหว่างชินโตกับพุทธศาสนา แต่ชินโตเป็นศาสนาหนึ่งส่วนชินนี้เป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา <c oughs> และยังมีนิกายชินงอนอีกนิกายชินชินชินสามชินนี่จะไปปนกันอาตมาเห็นในหนังสือก็ยุ่งหมดเพราะคนไทยเราไม่ได้ศึกษาอาแล้วเป็นนิกายสุขาวดีก็มีสองเลยในสมัยนยที่ใหญ่ๆนะนกายโจโดนิกายชินและทีนี้ยุคนั้นเป็นยุคสมูไร พวกสามูไรนี่ต้องการระเบียบวิ น, นัยฝึกฝนตนเองต้องการความเข้มแข็งมากไม่มัวไปอ้อนวอนเพราะฉะนั้นนิกายพวกพิวแลนด์ก็ไปนสนองความต้องการของชาวบ้านเขาบอกว่าฝึกนักรบบ้านนอกว่ า, างนั้นนะทีนี้พวกสามูไรนี่ต้องการคําสอนที่มีระเบียบวิ น, นัยการฝึกตนเคร่งคัดเข้มแข็งก็มีนิกายเซนขึ้นมาสนองความต้องการ เกิดลัทธิบูชิโดตั้งอยู่บนฐานของพุทธศาสนานิกายเซนเนี่ยซึ่งเน้นระเบียบวินัยเคร่งครัดจิตใจเข้มแข็งเน้นการฝึกสมาธิแล้วเกิดนิกายเซนสองนิกายใหญ่คือนิกายรินไซเซนกับโซโตเซนแล้วก็มีเซนอื่นโอบาคุเซนก็มีแต่โอบาคุนิกายไปเอาในบุตสุของเพียวแลนมาดใส่ด้วยก็ต้องแยกไปอีกนิกายหนึ่งโยมจะเห็นว่าเยอะแยะหมดแล้วนิกายใช่ม ก็มีกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีนิกายหนึ่งอีกญี่ปุ่นก็ผ่านมาผ่านยุคกามากุระแล้วต่อมาก็จกนกระทั่งพวกขุนนางต่างๆนี่ก็แย่งอํานาจกันเรื่อยแหละเจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งนะก็คือยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศไม่ค้าขายคนญี่ปุ่นไม่ให้ออกไปนอกประเทศคนฝรั่งไม่เข้าเมืองตั้งแต่คศ .1600 เขาเริ่มปิดประเทศปิดสนิทปี1639 เขาเรียกว่ายุคของการปิดประเทศซีครูชันอันนี้เป็นยุคของโชกุนตระกูลโตกุกาวะและโตกุกาวะนี้จะครองญี่ปุ่นมาตลอดเลยแต่โตกุกาวะนี้แกไม่อยู่ที่กามากุระโตกุกาวะนี้แกไปตั้งศูนย์แกที่เอโดะเอโดะหรือเยโดคือชื่อเดิมของเมืองโตเกียว ชื่อปัจจุบันคือโตเกียวชื่อเดิมคือเอโดะก็หมายความว่าไอ้ที่พวกโชกุนไปตั้งอยู่ที่กามากุระนั้นน่ะเมื่อต่อมามีการแย่งอำนาจกันพวกหนึ่งก็ไปตั้งที่เอโดะแล้วต่อมาพวกที่เอโดะเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นตระกูลโตกุกาวะตีทว่าตอนช่วงที่ปิดประเทศน่ะพัน0รเศษก็เริ่มปิดประเทศด้วยมาโตกุกาวะนี่ก็นี่แหละมาถึงหห ที่เปิดประเทศใหม่ก็ปิดประเทศเกือบ300ปีก็คือยุคโตโกุกาวะทั้งหมดยุคของโชกุนตระกูลโตโกุกาวะเป็นยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศหรือเรียกอย่างหนะ่อยุคเอโดะคือเรียกตามเมืองศูนย์กลางของอำนาจก็ตั้งแต่คศ1590เศษมาถึง1850เป็นยุคเอโดะและยุคโตกุกาวาปิดประเทศ และยุคนี้เป็นยุคที่ญี่ปุ่นมีความสงบแล้วเขาบอกรุ่งเรืองด้วยทางเศรษฐกิจปิดประเทศเลยจนกระทั่งคอสอบพันกว่าอเมริกันในผลแมทติวเบอรีเนี่ยก็เอาเรือลบไปบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศค้าขายแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นก็รู้ตัวว่าเรานี่แพ้ฝรั่งทางด้านเทคโนโลยีสู้เขาไม่ได้ต้องยอมเปิดประเทศตามที่ บ, บังคับญี่ปุ่นก็เลยพร้อมใจกัน ยกอำนาจคืนให้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิก็สิ้นสุดยุคโตกุกาวาที่เป็นตระกูลโชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นมานนระยะปิดประเทศแล้วก็เข้าสู่ยุคพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่คือยุคเมจิเขาเรียกกันแภาษาอังกฤษว่าเมจิรีสตอ r a เรชันนี่คือญี่ปุ่นเกอพร้อมกับประเทศไทยสมัยรัชกาลที่4คือสัญญาของญี่ปุ่นที่เปิดประเทศ เกือบพร้อมกับสัญญาเบลาริงในรายการที่4ี่เบลริงนี่สัญญาประเทศไทยเปิดการค้ากับฝรั่งติดกันเลยไทยนี่ปิดประเทศตั้งแต่สมัยพระเพทราชาพอสิ้นพระนอะไรมหาราชก็ขับไล่ฝรั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี้ไปหมดและไทยก็ปิดประเทศแล้วก็มาเปิดประเทศสมัยรายการที่สญี่ปุ่นก็ปิดประเทศสมัยโตกุกาวะแล้วก็มาเปิดสมัยเมจิเนี่ย เป็นเวลาเกือบเท่ากันเกือบพร้อมกันทั้งปิดป่วใกล้กันมากว่า ง, งั้นผิดกันไม่เท่าไหร่เอาละทีนี้ญี่ปุ่นก็เปิดประเทศขึ้นยุคเมจิยุคโชกุนก็จบสินสบส้นไปยุคซาโมไรจบสิ้นไปจัดการปกครองแบบสมัยใหม่ทับทึบสมัยใหม่ซามูไรเลิกซามูไรเก่าถูกปลดถูกถอนแกก่อการกำเริบถูกทหารสมัยใหม่ปราบทีนี้กลับเป็นอย่างนั้นไปก็มีการก่อกำเริบหลายครั้งเหมือนกันพวกซามูไร อา้าวทีนี้ก็มายุคของเมจิแหละเมจิเกิดขึ้นมาก็เชิดชูศาสนาชินโตเพราะต้องการรวมคนญี่ปุ่นให้มีชาตินิยมให้ถือว่าคนญี่ปุ่นนี่สืบสายมาจากพระอาทิตย์คือเจ้าแม่สุยเทวีพระอมเตระสุก็เลยเชิดชูศาสนาชินโตขึ้นก็กดพุทธศาสนาลงเพราะฉะนั้นยุคต่อจากนี้ก็พุทธศาสนาก็ถูกกดอ่าโยมดูประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งมาตอนหลังๆเนี่ยก็มีสงครามโลกมีอะไรต่ออะไรก็มีการเปิดประชาธิปไตยอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นตอนนี้พุทธศาสนาก็ถูกปล่อยจะทำไงก็ว่ากันเอาเองก็เป็นอย่างที่ว่า